วันนี้เพียงแค่นี้ละเป็นศีลนะนะกนัต ธ, ธายาติโยมลูกหลานไม่ต้องสมามาสมาทานกับพระแต่ถ้าว่าเมื่อมีโอกาสได้มาทำบุญอย่างนี้ได้มาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้พวกเราก็เออเทำพธิธีร่วมกันรวมกันว่าวิธีกรรมพิธีการาศาสนพิธีในการสมาทานจิล น, นี่ทำอย่างไร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 วันนี้ก็เป็นวันพระวันหนึ่งพวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาก็ควรจะมีสาสาพิธีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมท า, านศรระนะีตนาันนี้นะอันนี้นะคณะสัทธาญาิโยมลูกหลานตั้งใจสมาทานสิณนะโมตัสสะปะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม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 พ่อคูณบอกว่างั้นนะให้สูรละชั่วทำดีนะในหลวงพ่อคูนหลวงพอว่ออื้ถึงจะพูดสองคำละชั่วทำดีเพียงแค่นี้แหละ เ, เป็นสิริเป็นมงคลสำหรับผู้ดได้ยินได้ฟังเพราะเหตุไรเพราะชั่วนั่นคืออะไรดีนั่นคืออะไร เ, เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องศึกษาละทีนี้ คำไหนคำว่าดีอันไหนเป็นว่าชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว อ, อันนั้นเกิดเพราะว่ า, วาสิ่งที่มันไม่ดีคิดดีทดําดีพูดดอีอันนั้นก็คือเป็นบุญเป็นกุศลจากนั้นท่านก็ทําพินัยกรรมไว้แต่จะชัดเจนยังไงหลวงพ่อก็ได้ยินข่าวตามที่สัตยาติโยมพูดให้ฟังอบอกว่าท่านทําพินัยกรรมตั้งแต่ปีสีสา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 เป็นของจริงหรือเป็นของปลอมอลูกศิษย์บางคนที่มาจากถิ่นไกลจะซื้อเอาเหรียญหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าจะหลวงพ่อได้ปลุกเสกหรือเปล่าได้ทําขึ้นมาหรือเปล่าก็เลยไม่มั่นใจก็มาถามท่านหลวงพ่อครับ เ, เหรียญของหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าที่อยู่ในหน้าวัดหลวงพ่อคูณก็ตอบว่ามันเป็นรูปกู๋อล่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 ปินัยกรรมของท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เ, เมื่อก่อนหน้านี้กัหลวงพ่อทองพูลวัดภูกระแตอันนี้ก็8ปดสิบกว่าปีแต่ฟังดูระหว่าหลวงพ่อคูณมันก้าสิบเอ็ดปีลอะไรห <c oughs> ลวงพ่อก็จำไม่ชัดนะเขาเข า, เาพิมพ์ลงในประวัติของท่านนะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ว่ายุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้าก็คือธาตุ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 เมื่อจิตใจของท่านบริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์วัดของท่านกับเป็นวัดพระอรหันต์ศรัทธาญาติโยมของท่าน เ, ออเข้าไปกราบไปไหว้ท่านก็คือาาจัทวาญาติโยมของพระอรหันต์พราะใจของท่านเป็นพระอรหันต์กายของท่านก็เป็นพระอรหันต์นี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านให้ความความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าอย่างอื่น เ, ออเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมพวกเรามา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 ได้สบายจริงอยู่แต่ภายนอกไม่ได้ทาอะไรแต่ท่าว่าพระที่แท้จริงแล้วท่านจะต้องสู้ภายในใจของท่านเออเหีียวนี่เราคิดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะตัวไหนนี่แหละตัวนี้มันหนักมากจริงๆริงบางทีเนี่ยอยู่เฉยๆก็ร้องห่มร้องไห้ก็มีทั้งเยอะแยะไปแต่ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตามให้จริงท่าว่ามีทำในใจนะ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 ไม่ใช่ของง่ายนะพูดพูดง่ายๆแต่พอปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ของง่ายหลวงตามหาบุตท่านยอมรับเลยว่างานทางโลกที่เราทำมานั้นนะ่ะไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งในการที่จะเอาชนะใจของตนเองเอาชนะตัวผู้รู้ตัวสานึกผิดถูกชั่วดีในจิตในใจของเรา เ, เอาชนะใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหนักมากเพราะนั้นให้พวกเรา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 เราจะดูเลยสิพุทโธพุทโธบังคับนี่นแหละเมื่อใจของเราอยู่กับพุทโธใจของเราเสงบเยือกเย็นลงไปแล้วนั่นะนัตถิสันติป ร, รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอยู่เกิดกับพวกเราท่านทั้งหลายนะคณะทศัทยญาติโยมพระเนรลูกหลานนะ้อวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องกฎระเบียบรือววิถีทางแนวความคิด